พระตรปิดก G, มีการรักษาสืบทอดมาถึงเราได้อย่างไรการสังคยนาหรือสังคีติครั้งที่หนึ่งนี้ย่อมเป็นสังคยนาครั้งสำคัญที่สุดเพราะพุทธพจน์ที่รวบรวมประมวลมาทรงจำเป็นแบบแผนหรือเป็นมาตรฐานไว้ครั้งนี้มีเท่าใดก็คือได้เท่านั้นต่อจากนั้นก็มีแต่จะต้องทรงจำรักษาพุทธพจน์ ที่รวมได้ในสังคยาณาครั้งที่หนึ่งนี้ไว้ให้ถูกต้องแม่นยำบริสุทธิ์หมดจดและครบถ้วนที่สุดพูดสั้นๆว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยเหตุนี้ในเวลาหลังจากนี้พระเถระผู้รักษาพุทธพจน์จึงเน้นวิธีการรักษาด้วยการสาธยายและการมอบหมายหน้าที่ในการทรงจำแต่ละหมวดหมู่เป็นต้น โดยในดังกล่าวการสังคายนาที่มีความหมายเป็นการรวบรวมพุทธพจน์แท้จริงก็มีแต่ครั้งที่หนึ่งนี้การสังคายนาครั้งต่อๆมาก็คือการที่พระเถระผู้ทรงจำรักษาพุทธพจน์ทั้งหลายมาประชุมกันซักซ้อมทบทวนทานพุทธพจน์ที่รักษาต่อกันมาตั้งแต่สังคายนาครั้งที่หนึ่งนั้นให้คงอยู่บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุด คือครบถ้วนแม่นยำและไม่มีแปลกปลอมเนื่องจากต่อมามีภาระเพิ่มขึ้นในด้านป้องกันคำสอนและการประพฤติปฏิบัติแปลกปลอมการทรงจำรักษาพุทธพจน์จึงเน้นเพิ่มขึ้นในแง่การนำพุทธพจน์ที่ทรงจำรักษาไว้นั้นมาเป็นมาตรฐานตรวจสอบคำสอนและการปฏิบัติทั้งหลาย ที่อ้างว่าเป็นของพระพุทธศาสนาเป็นเหตุให้คำว่าสังคายาในภาษาไทยมีในยะขยายหรืองอกออกไปคือความหมายว่าเป็นการชำระศาสาร์คำสอนและวิธีปฏิบัติที่แปลกปลอมยิ่งกว่านั้นในการนานต่อมาคนบางส่วน ยึดเอาความหมายงอกนี้เป็นความหมายหลักของการสังคยนาจนถึงกับลืมความหมายที่แท้จริงของการสังคยนาไปเลยก็มีจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนี้บางทีบางคนไปไกลมากถึงกับเข้าใจผิดว่าผู้ประชุมสังคยนามาช่วยกันตรวจสอบคำสอนในพระไตรปิฎกว่ามีทัศนะหรือความคิดเห็นที่ผิดหรือถูก ซึ่งเท่ากับมาวินิจฉัยว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ผิดหรือถูกที่นั่นที่นี่แล้วจะมาปรับแก้กันฉะนั้นจึงจำเป็นว่าจะต้องเข้าใจความหมายของสังคยนณาให้ถูกต้องให้แยกได้ว่าความหมายใดเป็นความหมายที่แท้ความหมายใดเป็นในยะที่งอกออกมา การสังคายนาหรือสังคีติในความหมายแท้ที่เป็นการประชุมกันสักซ้อมทบทวนรักษาพุทธพจน์เ ท, ท่าที่มีมาถึงเราไว้ให้ครบถ้วนแม่นยำบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดนี้มีความเป็นมาแยกได้เป็นสองส่วนคือช่วงแรกท่องถวนด้วยปากเปล่าเรียกว่ามุขปาฐะและช่วงหลังจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกว่า โุตะกกาวโรปณะช่วงต้นหรือยุคแรกนับแต่พุทธกาลตลอดมาประมาณ460สปีพระเถระผู้รักษาพระศาสนาทรงจำพุทธพจน์กันมาด้วยปากกล่าวเรียกว่ามุขปาฐแปลง่ายๆว่าปากบอกคือเรียนห้องบอกต่อด้วยปากซึ่งเป็นการรักษาไว้กับตัวคน ในยุคนี้มีข้อดีคือเนื่องจากพระสงฆ์รู้ตระหนักถึงความสําคัญสูงสุดของการรักษาพุทธพจน์จึงทําให้มีความไม่ประมาทโดยระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะให้มีการจําพุทธพจน์ไว้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ถือว่าการรักษาพุทธพจน์นี้เป็นกิจสําคัญสูงสุดของการรักษาพระพุทธศาสนาการรักษาโดยมุขปาฐหรือมุขบาตนี้ ใช้วิธีสาธยายซึ่งแยกได้เป็นสี่ระดับคือหนึ่งเป็นความรับผิดชอบของสงฆ์หมู่ใหญ่สืบกันมาตามสายอาจารย์ที่เรียกว่าอาจาริยะบารัมปาราหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทระวงโดยพระเทระที่เป็นต้นสายตั้งแต่สังคยาครั้งแรกนั้นเช่นพระอุบาลีเถระผู้เชี่ยวชาญด้านพระวินยัย ก็มีสิทธ์สืบสายและมอบความรับผิดชอบในการรักษาสั่งสอนอธิบายสืบทอดกันมา 2. เป็นกิจกรรมหลักในวิถีชีวิตของพระสงฆ์ซึ่งจะต้องเล่าเรียนปริยัติเพื่อเป็นฐานของการปฏิบัติที่ถูกต้องอันจะนำไปสู่ปฏิเวทและการเล่าเรียนนั้นจะให้ชำนาญส่วนใดก็เป็นไปตามอัธยาศัย ดังนั้นจึงเกิดมีคณะพระสงฆ์ที่คล่องแคล่วเชี่ยวชาญพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกต่างหมวดต่างส่วนกันออกไปเช่นมีพระสงฆ์กลุ่มที่คล่องแคล่วเชี่ยวชาญในทีฆะนิกายพร้อมทั้งคำอธิบายคืออัถกถาของทีฆะนิกายนั้นเรียกว่าทีฆพานกะแม้มชิมะพานกะสังยุตตภานกะ อังคุตระพานากะและขุตกะพานากะเป็นต้นก็เช่นเดียวกัน 3. เป็นกิจวัตรของพระภิกษุทั้งหลายแต่ละวัดแต่ละหมู่ที่จะมาประชุมกันและกระทาคณะสาธยายคือสวดพุทธพจน์พร้อมๆกันการปฏิบัติอย่างนี้อาจจะเป็นที่มาของกิจวัตร ในการทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นหรือเช้าค่ำอย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน 4. เป็นกิจวัตรหรือข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพระภิกษุแต่ละรูปดังปรากฏในอัตถคถาเป็นต้นว่าพระภิกษุเมื่อว่างจากกิจอื่นเช่นเมื่ออยู่ผู้เดียวก็นั่งสาธยายพุทธพจน์เท่ากับว่า การสาธยายพุทธพจน์นี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งการปฏิบัติธรรมของท่านเนื่องจากพระภิกษุทั้งหลายมีวินัยสงฆ์กำกับให้ดำเนินชีวิตในวิถีแห่งตรายสิกขาอีกทั้งอยู่ในบรรยากาศแห่งการเล่าเรียนถ่ายทอดและหาความรู้เพื่อนำไปสู่สัมมาปฏิบัติจึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่ทำให้เกิดมีการรักษาคาสอน ด้วยการสังทยายทบทวนตรวจสอบกันอยู่เป็นประจำอย่างเป็นปกติตลอดเวลา